วันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วอตอนนี้เุิ่งร้อยร้อยห้าสิบกว่าใช่ไหมร้อยหกสิบ YouTube ยังไม่เข้ามาเลยห <6 S 1> <6 S 2> คนหกคนแต่วันนี้ก็มีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้นับคนได้เก้าคนทีมงานสองคนทีมงานสามคน วันนี้อากาศดีนะดีกว่าเมออื่มอวานเมื่อวานนี้ฝนตกมืดครึ้มเสียงดังเสียงฝนตกกระทบกับสังกษสีดังป้อแปะป้อแปะเวลาคุยต้องแบ่งเสียงวันนี้เงียบก็เลยคุยแบบสบาย ยิ่งต้องกานมากก็วุ่นวายมากแทนที่จะมีความสุขกับการมีอะไรมากๆกับกับวุ่นวายกันมากพอมีแล้วมันก็ต้องการให้มีไปเรื่อยๆมีให้มากขึ้นไปพอน้อยลงไปหน่อยก็วุ่นวายแล้วทั้งที่ ความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยกับสบายกว่ากับไม่รู้กันกับอยากจะมีกันไม่มีเหมนเดือร้อเลยไม่มีลาบไม่มียศเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านไม่มีเงินทองใช้เลยแม้แต่บาทท่านก็ไม่มียศไม่มีอะไรไม่มีตําแหน่งอะไร ที่อยู่กันแบบไม่มีอะไรไม่ได้ก็เพราะใจมันเคยกับการอยู่แบบต้องมีต้องมีลาบมียศมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสมีแล้วก็ต้องมีไปเรื่อยๆขาดไม่ได้ขาดก็วุ่นวายขาดก็ต้องหากัน หาไม่ได้ก็วุ่นวายหาได้ก็ก็ต้องหาอีกไม่พออีกหาได้หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พออีกทันมาอยู่เฉยๆกันดีกว่าเราลองมานั่งเฉยๆกันสักสองชั่วโมงไม่ต้องทำอะไรได้ไหม ไม่ต้องทำอะไรถ้านั่งเฉยๆได้ก็สบายวิธีจะนั่งเฉยๆได้ก็ต้องหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดนั่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็จะมีความสุขความสุขที่แท้จริงคือการอยู่เฉยๆถ้าหยุดความอยากได้หยุดความต้องการต่างๆได้ก็สบายควรจะนั่งเฉยๆกันทุกวันนะ เวลาที่ว่างแทนที่จะเปิดทีวีดูเปิดเพลงฟังหาขนมกินกันก็นั่งเฉยๆกันนั่งหยุดความคิดกันดีกว่าลองทำดูเลยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนการหาความสุขดีหาความสุขจากการดูอยู่เฉยๆ เปรียบเทียบกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันไหนจะสบายกว่ากัน mm. นั่งเฉยๆมันสบา ย, ย่าตายไปถ้าหารูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องหาต้องมีแล้วรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง ถูกใจก็ดีไม่ถูกใจก็ไม่ดีไม่สุขอีกของถูกใจถ้าหายไปหมดไปก็เสียใจอีกเนี่ยวิธีที่หาความสุขที่ดีที่สุดก็เนี่ยนั่งเฉยๆอย่าคิดอย่าพูดอะไรอย่าทำอะไรหยุดความคิดให้ได้ อยู่แล้วจะมีความสุขตอนเช้านี่ล้านชายมาใส่บาตรใช่ครับรอาจารย์ใส่ข้าวมัไก่ยายเขาเหรอปีอย๊ยะเขายายเขาครับอาจารย์ยายเขาคือผมบอกเขาว่าน่าจะมาใส่บาตรบ้างหรืออะไรเงีเ้ยเขบอกเขาตื่นไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยครับเห ม, มาะก็ต้องหัดมันขับตัวเองถ้าทําได้ก็ถือว่าเก่งอ่าก็ดีเลยเมื่อเช้านี้ก็กมาได้ยายก็สอนให้ใส่บาตร อายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดแล้วครับอาจารย์เป็นออทิสติกอ่ะไม่ไม่แน่ใจครับอาจารย์แต่เขาก็เก่งในหลายๆเรื่องนะครับเหมือนเราเขาเรียนรู้เองอะไรอยนครับเรียนรู้เองแล้วก็ถ้าตอนเด็กๆนี่จะเก่งภาษาอังกฤษมากอแต่ตอนนี้เขาว่าไปเอาทางด้านดนตรีแต่ว่ามาทางธรรมะเยอะแล้วครับเป็นเป็นลูกของเพื่อนนะครับเขาบอกก็ว่าถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะได้ขึ้นใหม่ระดับแม้แต่ที่เรา คิดว่าเราทําไม่ได้ลองทําดูดิมันยากแต่ว่าถ้าทําได้ลนะ อ, อะไรเงี้ยครับลองทุกอย่างถ้าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้ถ้าเรามีความอยากมีฉันทะมีความอยากความยินดีก็ศึกษาวิธีทำว่าเขาทากันอย่างไรเราก็ทาตามเขาอเอาอย่างเด็กที่เกิดในประเทศที่เขาเจริญเนี่ย เขาก็จเจริญตามประเทศที่เขาไปเกิดนะถ้าเด็กไปเกิดในประเทศที่ไม่จเจริญเขาก็ไม่จเจริญเพราะไม่มีใครสอนเขาอย่างเอาเด็กไปอยู่ที่ประเทศที่จเจริญ น, นี่เขาก็มีวิธีการที่จะพัฒนาเด็กสอนเด็ก เด็กก็เจริญเด็กก็เก่งใช่ไหมถ้าไปอยู่ที่ประเทศที่ไม่มีการสอนมันก็ไม่มีการเจริญดั้การอยู่กับบุคคลนี่สาคัญอยู่กับคนเก่งเราก็เก่งตามไปได้วไงอยู่กับคนไม่เก่งเราก็ไม่เก่งตามออกไป พระราหูนี่เป็นลูกพระพุทธเจ้าเนะี่ยพออายุเจ็ดขวบแล้วหกขวบเจ็ดขวบก็ไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเนะบวชไปไม่นานก็บรรลุเป็นพระลาหน์ได้ถ้าไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่มีวันที่จะบรรลุเป็นพระลาหน์ได้เนี่ยมันอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากใครที่อยู่ใกล้พระลาหนี่ อยู่กับพระ น, น่ะนี่ก็ได้เป็นพระนั่นกันนะใครไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเนี่ยพระที่ไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เป็นพระอลัยกันขึ้นมาบุคคลที่เราอยู่ด้วยนี่มีมีอิทธิพลมากต่อชีวิตของพวกเราพระเจ้าวจึงสอนให้เลือกคนให้ให้คบคนฉลาดคนเก่ง อยู่กับคนฉลาดอยู่กับคนเก่งอย่าไปอยู่กับคนง้อคนไม่เก่งถ้าไปอยู่กับคนที่เขาเปิดบ่อนเปิดบาร์อย่าไปอยู่พัทยาใตา้ดูสิแล้วต่อขึ้นอาชีพจะเป็นอะไรอาชีพก็เปิดบ่อนเปิดบาร์ตามขาเขาแหละถ้าไปอยู่วันก็ ก, ก็บวชกันได้บวชกันได้เป็นพระกัน ในปฏิบัติการปฏิบัตินี่ก็เพื่อมาหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากความต้องการต่างๆเพราะว่าใจของเราเนี่มันไม่ต้องการอะไรสิ่งที่ใจต้องการก็คือความไม่ต้องการความไม่ต้องการอะไรอันนี้แ่ะคือสิ่งที่ใจเราต้องการ ไม่ต้องการอะไรถ้าเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราจะสบายถ้าเราต้องการเราก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหามาก็หมดไปเพราะของที่เราหามามันเป็นของชั่วคราวหาขนมมากินกินแล้วก็หมดไปกินแล้วก็ติดต้องหาใหม่ต้องกินใหม่พอไม่ได้กินก็ทุกข์ลองหยุดดูสิ ้าเป็นนี้กินมื้อเดียวหลังจากนั้นก็ไม่กินอะไรดูเอาแต่ดื่มแนตะ่น้ำเปล่าเอาวันละมื้อพอไม่ตายหรอกสบายจะตายไปร่างกายก็จะแข็งแรงน้ำหนักก็จะไม่เกินเนีย่ยกินวันละมื้อดู มือเยอะแต่ว่ามีหอกินขนมเยอะยังห่วงว่ากินมือเดียวเดี๋ยวมันจะหิวหิวมันหิวที่ใจไม่หิวที่ร่างกายเรากินมือเดียวเพื่อเราจะมาหยุดความหิวทางใจกันกินมือก็เพื่อให้ร่างกายร่างกายเขาต้องการมือเดียวเขาอยู่ได้แล้วที่กินกันหลายมือ้อหลายครั้งนี่ก็มันเป็นความหิวของใจซึ่งเป็น เป็นพิษเป็นภัยกับใจก็เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายเพราะทำให้หิวอยู่เรื่อยๆการทําตามความหิวนี่แทนจะทําให้อิ่มเหมือนกับทําให้หิวการไม่ทําตามความหิวนี่จะทําให้อิ่มอิ่มใจแล้วมันก็จะไม่หิวไม่อยากได้อะไร เนี่ยรามาฝึกนั่งเฉยๆดืม่มกินมื้อเดียว <Okay. S 1> แล้วก็ลองนั่งเก้าอี้สักหกชั่วโมงดืม่มดื่มน้ำเปล่าสู้กับความอยากดือยากจะลุกไปทำนูน่นทำนี่ไปดูนั่นดูนี่ไปฟังนูน่นฟังนี่ถ้าอยู่เฉยๆได้สบายจะอยู่ได้หกชั่วโมงนี้ก็ต้อง มีสติคอยหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆให้มันพุโทโธไปสวดมนต์ไปดูลมหายใจไปแล้ว เ, เดี๋ยวมันก็หยุดความคิดหยุดความต้องการต่างๆเวลามันหยุดก็เบาไปสบายไปพอมันไม่หยุดก็พุโทโธใหม่สวดมนต์ใหม่ดูลมหายใจใหม่ ลองทำดูสิหกชั่วโมงนั่งเฉยๆนั่งสบายไม่ต้องบังคับนั่งกายให้เจ็บปวดอะไรนั่งสบายถ้ามันเมื่อยก็ขยับซ้ายขยับขวาหรือลุกขึ้นมายืนก็ได้แต่อย่าไปทําอะไรให้อยู่เฉยๆสักหกชั่วโมงอยู่ตรงเก้าอี้นั่นแนหะไม่ต้องไปไหนทําได้แล้วจะสบาย ต่อไปเวลาไปรอใครไปทําอะไรจะไม่หงุดหงิดําคาญใจนี่เวลาไปรอใครไปทําอะไรรู้สึกหงุดหงิดกันใช่ไหมขับรถไปรอไฟแดงแค่ที่ก็หงุดหงิดแล้วติดไฟแดงไม่กี่นาทีนั่งเฉยๆแค่นั้นก็หงุดหงิดแล้วไปธนาคารไปยืนรอคิวก็หงุดหงิดแล้วไปหาหมอไปรอคิวที่โรงพยาบาลก็งหงุดหงิดแล้วให้อยู่เฉยๆไม่ได้กันแปลก เพราะมันไม่ยอมอยู่มไม่เคยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่เป็นเึ่งความจริงอยู่เฉยได้นี่มันแสนจะวิเศษแสนจะสบายอันนี้เราต้องฝึกให้ได้ฝึกแล้วเราจะสบายจะไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองเพื่อเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เราถูก การอยู่เฉยๆไม่ได้ของใจเนี่ดันเราผักดันเราต้องมีนั่นต้องมีนี่ถึงจะมีความสุขต้องมีมันต้องเยอะแยะแล้วเป็นยงไงกินมาตั้งกี่ก่โลแล้วกินกินมากี่ตันแล้วเนี่ยของกินต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องกิ น, นกินกันเป็นตันใช่มลองลองลองลองเก็บสถิติไว้แต่วันนี้กินของที่ไม่จาเป็นกี่กี่ตันนะดื่มน้าดื่มเครื่องดื่มไปกี่ กิโลละบวกเข้าไปนี่มันเป็นตันนะของที่ไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินต้องดื่มเลยของที่จำเป็นจะต้องกินก็กินมื้อเดียวก็พอหนเดียวเอามันอยากจะกินอะไรเอาหนเดียวครั้งเดียวเลยเปิดโอกาสให้มันครั้งหนึ่งขนมนมเนยอะไรต่างๆกินมันหนเดียว เรื่องเดิอมอะไรเอาให้เต็มที่เลยหลังจากนั้นก็ไม่เอาอะไรนะนอกจากน้ำเปล่าน้ำเปล่ากับลมลมหายใจร่างกายอยู่ได้นะร่างกายได้อาหารเต็มเพียบแล้หวหนเดียวแล้วลองนั่งเฉยๆหรือหากเก้าอี้สบายๆ ก็อย่าไปแต่อยู่ในบ้านก็ได้เนี่ยให้อยู่บ้านอยู่ข้างในบ้านนั่งเฉยๆหาเก้าอี้สบายๆสักตัวหนึ่งคิดว่าเรากำลังนั่งเครื่องบินไปเมืองนอกก็แล้กันหกชั่วโมงเวลาอยู่ในเครื่องบินทำไมนั่งกันได้ให่นไหไปเมืองนอกที่นั่งเป็นสิบกว่าชั่วโมงก็ยังนั่งกันได้ ทำไมอยู่บ้านนั่งเฉยๆสัก6กชั่วโมงทำไมจะนั่งไม่ได้ลองนั่งดูแล้วจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการชนะความอยาก หยุดความอยากได้แล้วใจจะเบาใจจะสบายเหมือนยกอของหนักออกจากอกเวลาเกิดความอยากนี่เหมือนเหมือนกับเบียอะไรหนัก อ, อกหนักใจพอหยุดมันได้นี่พอมันหยุดนี่มันเบาเลยแต่มันเหมือนกับการรีดหนองเวลารีดหนองมันก็ต้องเจ็บหน่อยแต่พอรีดหนองออกมาแล้วก็ บายเวลาที่มันอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากนี่โอ้โหมันเครียดไปหมดมันแต่พอมันหมดมิตหมดแรงนี่มันหายไปเบาอกเบาใจขึ้นมาลองนั่งหกชั่วโมงดูจะต้องเจอมิตของความอยากแล้วถ้าถ้า ถ้าสู้มันได้เดี๋ยวจะเห็นเวลามันมันหมดกำลังของมันเองไม่ต้องทำอะไรลมันอยากสุดๆแล้วเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปเองถ้าเราไม่ไปทำอะไรให้มันไม่ตอบสนองมันเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปเพรมันกำลังนี่เหมือนทุกอย่างนี่ร่องไปหมดเลยในใจที่รู้สึกอึดอัดตึงเครียดเนี่ยแห็ไหมเวลาเรานั่งสมาวนี้พอจะคิดว่าจะนั่งนะตึงเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวถ้าบอกว่าตามไปนี้นั่งสมาธิกันหน่อยเนี่ยตึงเครียดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าพอมันพอมันหยุดหายความอยากแบบนี้มันจะหายตึงหายเครียดเบาเบาใจสบายอกสบายใจต้องพยายามฝืนให้ได้ต้องทำให้ได้ ไม่ยากเลยนั่งเฉยๆง่ายกว่าการไปนู่นมานี่สิเนี่ยขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยมันง่ายที่ไหนนั่งอยู่ที่บ้านสองชั่วโมงง่ายกว่าเยอะแยะแต่กับชอบขับรถสองชั่วโมงเหนื่อยวอยนรถบนถนนออกจากบ้านแล้วเหมือนปล่อยนกออกจากกรงนะเวลาอยู่บ้านนี่เหมือนถูกขังไว้ในกรง นนถ้าเราไม่ทําก็เราก็จะไม่มีวันที่จะทําได้ถ้าเราทําเราก็จะทําได้ต้องหัดทำํำต้องเริ่มเราต้องเริ่มทํอาอยู่ลองถามตัวเองว่านั่งเฉยๆบนเก้ 2, าอี้สบายๆหกชั่วโมงนี้นั่งไม่ได้เลยมันยากตรงไหน นั่วนักสุดก็ชัว่วโมงเดียวเองเจ้าค่ะไม่ต้องเป็นหกเท่าเลยชั่วโมงแต่เด็กจะลองดูสิจ้าค่ะยังคงไม่ไม่ทายอ่ะถ้ า, ถ, าถ่ายถ่ายก็อีกไม่เห็นต้องทำเลยนั่งเฉยๆเองตอนนี้นั่งอย่างนี้สบายนั่งไปได้หกชั่วโมงนั่งอย่างนี้ยังจะไม่สบายเพราะมันขัดสมาธิมันนั่งผับเพียบเดี๋ยวมันมันเมื่อยแข้งเมื่อยขาได้ ก็หาเก้าอี้นวมไปซื้อเก้าอี้โซฟานิ่มๆสบายบนั่งสบายเลยสบายเกินเออน้่งลำบากหน่อยเก้าอี้ที่มีมะเอ่อที่มีพนักที่พิงแล้วก็ห้อยเท้านั่ง <c oughs> เก้าอี้แบบที่เราใช้ในห้องโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็นั่งดูครักนั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรถ้าหิวน้ําก็เอาน้ําไป ใกล้ตั ว, วนะถ้าปวดนถ้าปวดทีก็ก็โถนก็ได้วางไว้หรือไม่ก็เดินเข้าห้องน้ําก็ได้แต่เข้าแล้วต้องกลับมานะอย่าทะเลทลัยแวะไปที่อื่นนะพอเข้าห้องน้ําเสร็จ ก, ก็กลับมานั่งที่เดิมถ้านั่งนานๆมันเมื่อยก็ยืนลุกขึ้นมายืนก็ได้ยืนยืดเส้นยืดสาย แต่ไม่ต้องแกวนแวงแวมือแกว่ ง, กว ง, กวงเท้าทำโยกรับยาก่ะเลยให้อยู่เฉยๆให้ยืนหรือนั่งพอยืนเมื่อยก็กลับมานั่งต่อสู้กับความอยากแล้วต่อไปเวลาเราจะต้องอยู่เฉยๆเราจะได้ไม่รู้สึกหนดกงิด เวลานั่งก็จะใช้พุทธโธก็ได้ใช้การสวดมนต์ก็ได้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่อย่าออกเสียงนะทำข้างในใจถ้าอยากจะพุทธโธก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปถ้าอยากจะสวดมนต์ก็สวดอิติปิโส อ, อาลังสัมมาสวะขาโตสุปฏิปันโนไปถ้า ไม่อยากจะสวดก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องบอกหายใจยาว หายใจลึกๆอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปทําปล่อยให้เป็นธรรมชาติเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราหายใจยังไงก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นตอนนี้เราไม่ได้บังคับลมปล่อยมันหายใจไปเพียงแต่เราดูลมเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะทําอะไรเพื่อไม่ให้ใจเราคิดเพื่อไม่ให้ใจเราอยากเราก็ดูลมไปดูลมไปหรือถ้าเราไม่อยากดูดูไม่เป็นยังลมมันละเอียด ยังดูไม่เป็นก็พุโทโธไปก่อนถ้าพุโทโธมันสั้นไปก็เอาสวดมนต์ไปก่อนสวดอารหังสัำมาแต่สวดในใจดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องใช้ใช้กำลังมากสวดไปภายในใจแนละ้วมันจะสงบมากกว่าการสวดออกเสียงใจก็จะสงบลงเร็วขึ้นอิติปิโสสวดไป สว่าขาโตสุปฏิปันโนสัพเพสั ต, ตาอเวลาโหนตุออยังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละเรื่องบนต่างๆพื้นเท้าขึ้นมาเรื่องแต่เนื่งแต่ศีรษะลงไปมีหนังหุ่มหาอมีหนังหุ้มห่อเป็นที่สุดรอบอมีอาการต่องไปนี้เกษาคือผมดูมาคือขน น้าขาคือเล็บดันตาคือฟันเนี่ยส่วนนี้ไปก็ได้ส่วนไปก็มันก็เพลินมันก็เจริญเรื่องที่อยากจะลุกไปทำนู่นทานี่แล้วส่วนด้านเหนื่อยอยากจะสวดหยุดสวดก็ดูลมต่อดูพุทโธดูลมหายใจเข้าดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกหายใจเข้าลมมันจะ มันจะสัมผัสที่ปลายจมูกนะั่นแหละถ้าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าตั้งใจดูก็จะเห็นลมเข้าเห็นลมออกเพราะมันจะไปกระทบกับที่ปลายจมูกผมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำแค่นี้แหละสบายจะตายลปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้ถ้าเบื่อลมก็พุโทโธเบื่อพุโทโธก็สวดมนต์ ถ้าสวดได้ยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสวดไปให้มันหมดเลยสวดสวดพระสูตรได้ก็สวดไปสวดธรรมจักรได้ก็สวดไปสวดมงค์นเสูตรได้ก็สวดไปอเสวนาจะบาลานังมันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังกัลลมุตตะมังสวดไปสวดในใจมันจะไม่เหนื่อยถ้าออกเสียงมันจะเหนื่อยมาก ไม่ต้องการให้เหนื่อยให้มันเหนื่อยทางใจอย่าให้มันเหนื่อยทางกายเหนื่อยทางใจพอมันสวดมากๆมันเหนื่อยมันก็หยุดแล้วมันก็ไม่คิดความฟุ้งซ่านจะหายไปใจจะเบาใจจะสบายแล้วก็อยู่ต่อดูลมต่อไประวังอย่าหลับเท่านั้นนะ ถ้าหลับก็ลุกขึ้นมายืนถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมายืนยังไม่ให้เดินเอาแค่สองสองสองท่านี้ให้อยู่กับที่ถ้าไม่ยืนได้ยิ่งดีถ้านั่งไปได้ได้ได้เท่าไหร่ได้ย่างดียิ่งนานเท่าไหร่ได้ย่างดีให้มันไม่ต้องทำอะไร ลองทำดูสิแล้วต่อไปเราจะอยู่อยู่เฉยๆจะไม่หงดเหงยอไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่หงดเหงยดไม่มีเงินเที่ยวก็นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยห้าหกชั่วโมงไปมันก็เหมือนได้ไปเที่ยวละดีกว่าออกไปเสียเงินเสียทองไปเหนื่อยกับรถติดไปเหนื่อยกับอะไรต่างๆ ผู้คนเยอะแยะไปซื้อข้าวของก็ต้องไปยืนเข้าคิว Q กันไปแย่งกันไปแย่งที่จอดรถกันไปแย่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากันอยู่บ้านสบายถ้าทำได้แล้วต่อไปมันยำไม่อยากจะทำอะไรอ ย, อยู่เฉยเฉมีความสุขจะตายไป แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมีแค่ข้าววันละมื้อก็พอแล้วบ้านก็มีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วไม่ต้องมีเครื่องใช้ไม่สอยเลยมากมายยิ่งสมัยนี้กับข้าวกับปลาซื้อมาซื้อมาสาเร็จรูปได้ยิ่งสบายไม่ต้องมีครัวไม่ต้องมีอะไรซื้อกับข้าวมาสองสามถุงก็อยู่ได้แล้ว ค่าใช้จ่ายก็จะน้อยวันละไม่กี่ตังค้าวานละมื้่น้ำเปล่าน้ำก็ไปกดตู้ก็ได้ลิตละลรละบาทนึงกินมาละสองลิตรก็สองบาทค่าน้ำกินก็กลายเป็นฉี่มันจะซื้อมาขวดละยี่สิบาทห้าิบบาทมันก็เป็นฉี่เหมือนกัน แล้วก็ตายเหมือนกันกินแล้วกินน้ําขวดละห้าสิบก็ตายกินน้ำลื่นระบาดก็ตายเหมือนกันถึงเวลามันตายมันตายเหมือนกันอาจจะตายช้าตายเร็วหน่อยเท่านั้นขอให้น้ำมันสะอาดเ็แล้วกันไม่ต้องมีรงมีแร่อะไรแล้วมีก็ดีไม่มีก็ช่างมัน Yeah, แล้วเราจะได้ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยกันนะทำงานถ้าเป็นแทบตายพอได้เงินมาก็ปั๊บเดียวหมดแล้วนะไปเข้าร้านไปเข้าศูนย์การค้านี่แป๊บเดียวหายไปถูกเคาะต้นโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยลองเข้าเซเว่ดูลองเข้าโลตัสดูออกมานเงินหายไปเป็นพันเลยแล้วของที่ด้นมันก็เป็นขยะทั้งนั้นนะ ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกองไว้ในบ้านเอาเข้าตู้ซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็โยนเข้าตู้หใส่หนอนสองหนอนก็ไม่ใส่มันละเนี่ยเราก็ต้องไปเหนื่อยกับการทำงานเคี่ดกับการทำงานเวลาตกงานก็เครียดเอกเวลาหางานก็เครียดเอก เวลาได้งานทำก็ขี้เลยไม่อยากจะทำาองท่ไมตอนเช้านี่เวลาจะลุกขึ้นไปทำงานแต่ละวันรู้สึกไงอ๋อไม่อยากจะไปเลยก็เราสร้างตัวปัญหาต่างๆขึ้นมาเองถ้าเราไม่ใช้เงินแล้วมันจะต้องไปหาเงินยังไงใช้เงินมันก็ต้องหาเงินดิก็อยากไปใช้มันถ้าใช้ก็ใช้เท่าที่จำเป็นมันก็ไม่ต้องหามาก ทำงานอิสระก็ได้ขายประกันขายวันรับเจ้าสองเจ้าก็อยู่ได้นะเป็นเดือนแะเนี่ยวิธีที่อยู่ยังมีความสุขต้องลดความความต้องการต่างๆมักน้อยสันโะ네ดษเนี่ยพระเจ้าสอนนี่แหละทมันวิเศษ พวกเรากับไม่เคยคิดถึงกันเลยความมักน้อยความสันดอดนี่มันวิเศษตรงนี้ถ้าเราใช้น้อยๆเราก็หาหาไม่ต้องหามากหาน้อยๆเช่น <c oughs> ถ้าเราใช้วันละร้อยเดือนก็แค่สามพันทำงานถ้าได้สามหมืนนี่ก็โอ้อยู่ได้ปีหนึ่งละ สบายทํางานเดือนเดียวแล้วก็เอกสิเดือนก็อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆสู้กับความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดต้องลดความต้องาลงแล้วก็ฝืนมันอย่าไปทําตามความต้องการเอาสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นคาว่ามากน้อยก็หมายถึงเอาสิ่งที่จําเป็น สิ่งที่ต้องมีขาดไม่ได้เช่นลมหายใจนี่ขาดไม่ได้น้ําดื่มนี่ขาดไม่ได้อาหารนี่วันละมื้อนี่ขาดไม่ได้อันนี้เสื้อผ้าสองสามชุดก็พอแล้ว <c oughs> แล้วจะไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องไปหาเงินมาให้วุ่นวายใจ มีมีคำถามเข้ามาหรือยังมีนะครับอาจารย์อ่เอาบ้างวันนี้วันสบายสบายไม่รู้จะพูดวันสบายครัอาจารย์วันเฉยเฉยวันอยู่ที่เฉยอย่างนี้นับได้ไหมสักสองทุ่โมก็ได้เหมือนกันแต่สู้สู้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรฟังไม่ต้องมีอะไรดูมันยังฟังได้มันก็จะเพลินเเออมันยังเพลินอยู่ถ้าเกิดไม่ได้ฟังมันก็จะหกรธเหงยดขึ้นมาฉันอยู่บ้านเราติดตามสดอย่างเงี้ย พอเกิด<ม>เด็ดเสียหรือไฟดับนื้ อ, <ม> อ, อให้งดเงินซะสิทําไงไม่มีอะไระ<ม>ก็เอาอย่างอื่นแทนสวดมนไปแทนพุทโธไปแทนดูลมไปแทน<ม>เอาของที่มีอยู่ในตัวเราดี่ก่อนอย่ า, าไปพึ่องอะไรอย่างน<อ><ม>ีอย่าไปพึ่ง ข, งของข้างนอกเนี่ยท่าน่าให้พึ่งตนเอง<ม>อัตตาหิอัตโนนาัตโธให้ตนให้พึ่งในสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราอคําถามเดียวก่อนก็ได้คนจะถวายของ ขึ้นมาเลยอยากฉันถวายข้าวของอะไรก็เอามาเลยเอาเดี๋ยวให้พร้อมก่อนเอาเกันเหตุคนพอดีคุณแม่ของฉเสียชีวิตอ่อาก็เป็นเรื่องธรรมดานะเกิดแล้วก็ต้องตายพะเจ้าเจ้าบอกว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายกันไม่ได้ อใจไหมไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเพราะผู้ที่ตายก็ไม่ใช่เป็นแม่เราผู้ที่ตายเป็นร่างกายของแม่ตัวแม่ไม่ได้ตายกับร่างกายอใจไหมตัวแม่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่ไปใช้บุญใช้บาปที่ทําไว้ต่อเดี๋ยวก็ได้ร่างกายใหม่เดี๋ยวก็ได้เกิดใหม่ เหมือนลูกๆที่มาเกิดเนี่ยมันก็ตายมาถ้ามันไม่ตายมามันจะมาเกิดได้ยังไงคุณอยากจะได้รถใหม่ราก็ต้องขายรถเก่าก่อนใช่ไหม <Okay. S 1> รถเก่าพังก็ต้องซื้อรถใหม่ร่างกายเก่าตายไปก็ต้องเกิดใหม่พะเรายัางต้องใช้ร่างกายกันอยู่ไม่ใช่เหรอก็เหมือนมีอะไรหน้าตื่นเต้นตกใจน่าจะดีใจแทนแม่เสียใจซ้ำไป แม่เขาจะได้ได้จะได้ร่างกายอใหม่ถ้าแม่เขาทําบุญเขาก็จะได้ร่างกายดีกว่าเก่าถ้าเขาไม่ทําบุญก็ได้เท่าเก่าถ้าทําบาปก็ได้เลวกว่าเก่าผมอยู่ที่ไหนที่จะช่วยให้หม่าม้าผมให้ได้บุญกุศลก็นี่นะทาบุญทําทานไปแล้วก็เทิศบุญไปแล้วจะรู้รได้ไงว่าได้รับ ก็ไม่รู้แหะถ้าคุไม่มีนั่งไม่คุณไม่ได้ติดต่อเขาได้ก็ไม่รู้ถ้าคุณติดต่อได้ก็คุณก็จะรู้ถ้านั่งสมาธิก็ จ, จะติดต่อได้จิตสงบก็จะติดต่อเนี้ยเหมือนพระพุทธเจ้าติดต่อกับแม่ของพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องนั่งสมาธิเป็นถ้านั่งสมาธิเป็นก็สามารถติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้ กายทิพย์ไม่ได้ตายไปกับกายหยาบกายทิพย์ไม่มีกายหยาบก็เลยไม่สามารถติดต่อกับพวกกายหยาบอย่างพวกเราได้นอกจากพวกเราพวกกายหยาบที่สามารถนั่งสมาธิแล้วติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้ไงั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก็แล้วกันจะรู้ไม่รู้ไม่สำคัญส่งไปก็แล้วกันจบ เหมือนเราส่งของไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมไฟไหม้เราก็ไม่รู้เขาได้รับหรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าเขาต้องได้รับเนี่าก็ส่งไปเวลาเขามาให้ขอบจากช่วยเหลือเวลามีไฟไหม้น้ำท่วมเราก็ร่วมกันบอยจากไปอันนี้ก็เหมือนกันคนตายไปเราก็ทำบุญทาทานแล้วก็อุทิศบุญไป ถาเขาไม่รับก็แสดงว่าเขามีบุญแล้วเขาไม่ต้องมารอรับบุญของเราเขาสบายแล้วเขาไปสุคติไปเป็นเทวดาแล้วถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรให้ให้ผู้ที่เขาไม่มีไปแทนก็ได้ให้สัตว์ประสาททั้งหลายเจ้า ก, กรรมนายเวรไปอายุเท่าไหรนะ่ 69ครับเป็นยังไงไปแบบผูกพับเรียกว่าไปแบบว่าไม่สบายก็เฉียบเป็นตับอักเสบเฉียบพันรุนแรงครับไม่คิดว่าจะตายใช่ไหมอยู่14วันเองครับนี่หลก็คอยเทศให้ฟังอยู่เรื่อยวความตายมันไม่แน่นอ น, เ, นเร็วมากเลยพระ เ, เจ้าทัางบอกอย่าประมาทเราต้องเร็วกว่ามันเราต้องรีบทำบุญก่อนมันที่ที่มันจะตาย เวลามันตายมันเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ต้องรอให้คนส่งบุญไปให้เราไงเข้าใจไหมเราต้องเอาเอาตัวอย่างแม่นี้มาสอนเราแล้วนะสอนล่เราอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แม่สิบสี่วันเราอาจจะเจ็ดวันก็ได้เห็นเราอย่าประมาทพระเจ้าจะจะบอกให้ยงยังประโยชน์ให้ถึงเพราะด้วยความไม่ประมาเทเถิดให้รีบทำบุญเสียให้นั่งสมาธิให ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ปฏิบัติธรรมอันนี้บุญทั้งนั้นเอาไปกับเราได้หมดเลยอย่าไปเสียเวลากับการหาสมบัติเข้าของ<ม>เงินทองต่า ง, างๆเห็นหมแม่เอาไปได้ไหมไ<ด>สมบัติของแม่ผมรักผมมากเออน้องนะพยายามเอาเอ า, เ, อาเรื่องของแม่นี้มาเป็น บวชเรียนสอนเราว่าเราอย่าประมาทเพราะความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแล้วอาจจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้<ม>เดี๋ยวลดพลิกคว่มชนกันตายก็ได้<ม>เดี๋ยวอยู่ดีๆหัวใจวายขึ้นมาก็ได้มไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนชีวิตนี้มันมันไปเมื่อไหร่มันไม่มีใครรู้งั้นอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงแปดสิบเก้าสิบ ให้คิดว่าเราอาจจะไม่พ้นวันนี้ถ้าเราที่นี้เราจะได้รีบทําบุญกันทำมันไปทุกวันทําแล้วเราก็มีบุญเวลาไปก็ไปสบายมีบุญไปก็เหมือนเวลาไปเมืองนอกมีเงินไปอมีบัตรเครดิตไปใบเดียวสบายไปเมืองนอกใช้บัตรเครดิตได้ถ้า เอาเงินบาทไปบางทีเขาไม่เอาบางประเทศก็ไม่รู้จักเงินบาทเอาบัตรเครดิตไปบายเดียวทำบุญก็เหมือนกับเอาบัตรเครดิตไปตอนทำบุญก็เอาเงินเข้าธนาคารธนาคารก็ออกบัตรเครดิตให้พอเราไปต่างประเทศเราก็ใช้บัตรนี้ได้เลยกดได้เลยซื้อข้าวซื้อของจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารอะไรต่าง เวลาร่างกายตายเวลาใจก็ไม่สามารถเอาเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ไปได้แต่เอาบัตรเครดิตไปได้บุญเนี่ยมันเป็นเหมือนบัตรเครดิตกันยัยไหมไอแล้วอยากจะไปพักโรงแรมก็ใช้บัตรเครดิตนี่ถ้าไม่มีบัตรเครดิตนี่ก็ต้องเป็นขอทานไป่ที่เราอุทิศนี่คือพวกที่ไม่มีบัตรเครดิตติดตัวไป พราไม่ได้เอาเงินฝากไว้ในธนาคารไม่ได้ทําบุญกันพอไปเลยไม่มีบัตรเครดิตที่จะเอาไปใช้ ก, ก็ลําบากก็อยู่แบบขอทานกั่เหมือนกันที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ต้องมาอขอทานนั่งข้างถนนอย่างเงี้ยขอทานเป็งไงขอทานกับคนมีเงินนี่ต่างกันนหะม คนมีเงินอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปไดนะ้ขอทานก็ต้องนั่งอยู่แถวข้างถนนนั่งนะรอให้คนใส่เศษเงินให้บาทสองบาท<ม>คนที่ไม่ได้ทำบุญเวลาตายไปเขาเรียกว่าขอทาน<ม>คนที่ทำบุญไปเขาเรียกว่าเทวด า, <ม>อาอย่าประมาททุกคนต้องรีบทำบุญกัน เอามาถวายของ เ, อเดี๋ยวจะให้พรก็อุทิศบุญไปในใจนี่แหละนะบุญที่เกิดจากการที่เราได้มาทำบุญนี่ เ, เ, เราก็แบ่งไปเพื่อเขารอรับอยู่เขาก็จะได้ไม่ลำบากบเหมือนกับให้เขให้เงินกับขอทานนะอย่างน้อยก็พอจะมีอะไรกินบ้างมีอะไรดีกว่าไม่มีเลย แล้วมมาจะได้เต็มร้อยไหมครับอ๋อเงินที่ส่งไปก็ได้เต็มร้อยแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เต็มร้อยจากของบุญที่เราทำเนี่ยเราส่งไปหมดไม่ได้ส่งไปส่วนที่ส่วนมันส่งของไปทางไปรษนีย์ของใหญ่ๆเขาก็ไม่ให้ส่งไปเขาก็ให้ส่งแต่ของที่เขาบรรจุในภาชนะได้ของเขา ก็ได้บางส่วนแต่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เต็มร้อยของที่เราทําถ้าอยากจะได้เต็มร้อยต้องทําตอนที่ก่อนตายไงถ้าถ้าเราทําตอนเนี้ยน้อยเต็มร้อยนี่เป็นของเราหมดเราเอาไปได้หมดเลยแต่ถ้าเราร้อยก็ส่งไปนี่เขาส่งไปได้แค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้น้อยจังครับออนั่นแหละเงินให้ขอทานไงแต่ก็ดีก็ไม่มีเลย ก็ส่งได้เท่านั้ น, นะจะทำยังไงได้นะนะตั้งจิตตั้งใจนะ <c oughs> <c oughs> ก็ทำไปเรื่อย เ, เหมือนกับใส่บาตรพระเนี่ยเงินอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับก็เหมือนกับการใส่บาตรให้กับพระนะก็ไม่ได้ให้เยอะแยะใช่ไหมใส่บาตรกับพระก็ให้พอกินพออยู่ไปวันวันหนึ่งนะก็ต้องทำบุญทุกวัน ทําบุแล้วก็อดทิศไปทุกวันทุกวันแล้ภา ว, วนาหมอบม้าผมยังได้รับไหมครับที่ภาวนาเรายังภาวนาไม่เป็นมันจะได้รับยังไงนะผลที่เกิดจากการภาวนาผลที่เกิดจากการภาวนามันยากกว่าผลที่เกิดจากการบุญที่เกิดจากการทําทานการทำตอนนี้บุญเกิดขึ้นแล้วในใจแล้วภาวนานี่นั่งสู้กับกิเลส นั่งไปแล้วมันไม่สงบมันก็ไม่เกิดผลมันก็ไม่เกิดบุญนะแต่บุญมันใหญ่กว่าใช่บุญใหญ่กว่าแต่มันไม่เกิดจิตไม่รวมมันจะเกิดได้ไงยังไม่ได้ผลเนี่ยไม่ใช่นั่งแล้วจะได้บุญทันทีไหนนั่งแล้วถ้าจิตไม่รวมไม่สงบมันก็ยังไม่ได้ผลมันก็ยังไม่ได้บุญอาจเอาถึงทำทางกันมันง่ายกว่า ถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่ามันก็ยังได้ยังดีกว่านั่งสมาธิแล้วส่งบุญไปตัวเองนั่งแล้วก็ไม่สงบมันก็ไม่มีบุญจะส่งไปฉั้นสาหรับคารวะนี่อย่าไปหวังเรื่องศีลเรื่องเรื่องภาวนาเป็นบุญส่งไปเลยมันยากศีลศีลก็ไม่บริสุทธิ์นี่มันจะส่งบุญที่รในการทําศีลไปได้ยังไงภาวนาจิตก็ไม่เคยรวัวนี้มันจะไป ส่งบุญไปได้ไงไม่มีจะส่งเข้ า, าใจป่ะแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าบริสุทธิ์ได้ก็ส่งไปได้แต่หน้าเราบริสุทธิ์ไ้มนะพอได้ไดแล้วไปยังไงพอไดไ้ไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ได้ผิดศีลห้าครับแน่ใจเลยพยายามอยู่เออา น, น ถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์มันก็ยังส่งไปไม่ได้เอาเอาทำทานดีกว่าชั่วๆกว่าทำบุญสละเงินทองไปเนี่ยได้ลนะได้บุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์เนี่ยรายบุญละพระอาจารย์ถึงสอนให้ทาบุญด้วยการอุทิศบุญสาหรับฆราวาเนี่ยถ้าสำหรับพระภิกษุนี่ได้ส่งไปได้พระที่มีสมาธิจิตรวมแล้วเนี่ยส่งบุญไปได้ แต่พ้าที่ไม่ได้บางทีท่านก็ยังทําบุญกันเลยแน่นอนกว่าครูบาอาจารย์ลังรูปบางทีท่านก็ยังทําบุญนัทิพยให้กับพ่อให้แม่เหนือแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านอาจจะไม่มีบุญทางสมาธิเนะี่ยแต่ท่านอาจจะให้อยากอยาให้ลูกให้พี่น้องร่วมกันได้ทําบุญด้วยอถ้าเราทําบุญทางสมาธินี่เราทําคนเดียว คนอื่นเขาก็ไม่ได้ร่วมบุญกับเรานี่เรามาทำานี้นทุกคนนี่ก็ได้ร่วมบุญกันแล้วคนทําก็ได้บุญด้วยตายไปก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญเพราะทําที่เราทํานี้ได้มากกว่าที่บุญที่เราจะไปรอรับจากคนที่เขาอุทิศให้กับเราตอนที่เราตายไปแล้ว เดี๋ยวมาอนะุทิศบุญจากสมาธิเดี๋ยวไม่ได้ทำบุญทางอันนี้เลยเดี๋ยวตายไปไม่มีอะไรกินทำไมก็แล้วแต่นะบุญที่ง่ายที่สุดก็คือเนี่ยบุญที่เกิดจากการทําทานควักกระเป๋าออกมาร้อยสองร้อยเยบรจากไปก็ได้บุญละ มานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธนี่ไม่รู้จะสงบหรือไม่สงบก็ไม่รู้ตอนนี้มีพี่น้องรู้ป ะ, ะนี่เป็นลูกเหรอ น, ออ น, นี่อันนี้ปป้ า, ปาอพ่ อ, อร 79, ครับพ่ออายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าครับแม่หกสิบเจ็ดหกสิบเก้าครับแตปป้าใหญ่หลวจังเพิ่งเทสอนพอดีปป้าก็าจะมีความเชื่อด้วย ตายแล้วศูนนะครับถ้าเราเห็นแต่ร่างกายเราก็จะคิดว่ามันตายแล้วศูนย์นะ <c oughs> พอเราไม่เห็นใจเราไม่เห็นดวงวิญญาณ <c oughs> เรามีใจเรามีร่างกายมีสองคนในตัวเราร่างกายนี้เป็นคนรับใช้ที่เราใช้คนที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายคนที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรนี่เรียกว่าใจ คนที่สั่งนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนสั่งนี่แหละที่ไปรับที่ไปเกิดใหม่ที่ออกจากร่างกายนี้ไปอออกจากร่างกายนี้ไปแล้วร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีใครสั่งให้มันทาอะไรลุกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถ้าเห็นแต่ร่างกายก็คิดว่าตายแล้วสูญแต่ถ้าถ้ารู้ว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีคนที่สั่งร่างกายอีกคน คนที่สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำเนี่ยตอนเนี้ยคนที่กำลังสั่งให้ร่างกายพูดนี่ไม่ใช่ร่างกายรู้เปล่าเป็นเหมือนร่างกายเป็นเหมือนหุน่นอ่ะเคเห็นก็เล่นหุน่นคนที่หุ่นก <iter> ักับคนเชิดหนึ่สองคน้คนเชิดไม่ได้ตายไปกับหุ่นเข้าใจเปล่าเวลาหุ่นตายเวลาร่างกายตายไปคนเชิดมันไม่ได้ตายไปกับหุ่นคนเชิดนี่ไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มี เป็นเป็นเป็นผู้ที่คิดผู้ที่รู้ผู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้นี้แหละที่ไปไปไปรับผลบุญผลบาปถ้ามีบุญติดตัวไปก็ไปอย่างมีความสุขสบายถ้าไปแบบไม่มีบุญก็ไปแบบหิวโหวยเป็นไปแบบขอทานเพราะไม่มีบุญไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ ยังต้องทำบุญกันอย่าไปทำบาปกันถ้าไม่ทำบุญทำบาปนีไ่ไปก็ไปแบบขอทานถ้าทำบุญไม่ทำบาปก็ไปเป็นเทวดาไปแบบเทวดาเวลาเราออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี่แหละที่เปรียบเทียบให้ฟังอันนี้ถ้าเรามองไม่เห็นก็มีทางเลือกอยู่สองทางคือเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อคนที่เห็นหรือไม่เชื่อก็ไม่มีใครว่าอะไร ไม่เชื่อก็ไม่มีใครว่าอะไรเชื่อก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเชื่อเราก็จะได้ทำตามที่คนเขารู้บอกให้ทำพระพุทธเจ้ารู้ว่ามีว่าคนที่ไม่ตายส่วนที่ไม่ตายมีอยู่ส่วนที่ตายก็ตายไปแต่ยังมีส่วนที่ไม่ตายส่วนที่ไปรับผลบุญผลบาปเนี่ยมีอยู่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าทำบุญไม่ทำบาปก็จะ ก็จะได้ประโยชน์ถ้าเป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงเราก็ไม่ขาดทุนตรงไหนเพราะการทําบุญการไม่ทําบาปก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขอย่างไรไม่ใช่เวลาเราทําบุญแล้วเราสบายใจไหมเวลาเราไม่ทําบาปแล้วเราสบายใจไหมแล้วพลิกกลับกันถ้าเราไม่ทําบุญแล้วเราทําบาปเราสบายใจหรืออย่างน้อยเราก็ได้กําไรแล้วเนีย ถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วสูญอย่างน้อยขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็มีความสุขจากการทำบุญจากการไม่ทำบาปแต่ถ้ามันเป็นความจริงว่าตายแล้วเราไม่สูญแล้วเรามีบุญไปไปช่วยเราอีกทีนี้เราก็เราก็สบายเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราไม่ทำบุญเราทำแต่บาปตายไปเราไปติดคุกในในโลกทิพย์เราจะทำะไง ไปเป็นขอทานไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่คือพวกที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพวกที่คิดว่าตายแล้วสูญก็ไปอบายกันพวกที่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญก็ทำบาปทาบุญไม่ทำบาปไปก็ได้ไปเป็นเทวดาก็มีเท่านี้แหละมันอยู่ที่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเอง แล้วก็ไม่มีใครมาบังคับให้เราเชื่อแล้วไม่เชื่อข้อ mm hmm. ของนี้มันเหมือนคนตาบอดเนะี่ยบอกว่าคุณน้องหลับตาดูเสร็จแล้วบอกว่าแถวตรงนี้มีไอ้นู่นมีไอ้นี่คุณจะรู้ว่าเปล่ามีจริงหรือเปล่า mm hmm. ไม่มีวันรู้ได้ไหมก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่ตามีตาก็บอกคุณจะเชื่อเขาไม่เชื่อนะ mm hmm. คนที่เขามีตาก็าจะมาหลอกคนตาบอดทำไม ได้เลยจากการหลอกคุณตาบอดพระพุเจ้าท่านมีตาท่านหาอะไรได้ด้วยตัวของท่านเองท่านไม่ต้องมาหลอกคุณตาบอดเพื่อเอาสิ่งจากเอาของจากคุณตาบอดหรอกใช่ไหมพระเจ้าท่านไม่มาสั่งสอนพวกเราเพื่อมาหลอกเอาเงินเอาทองจากพวกเรารพระเจ้าท่านมีเงินทองเยอะกว่าพวกเราเอีกท่านยังทิ้งหมดเลยเงินทองใช่ไหม เวลาที่ท่านออกบวญให้ท่านเอาเงินไปสักบาทนึ่งก็เปล่าอ mm hmm. แล้วพอท่านบรรลุแล้วท่านมาสอนพวกเราท่านมาเรียกร้องเอาเงินทงองจากพวกเราเปล่า mm hmm. ที่ท่านให้ทําบุญก็ไม่ได้ให้ทำกับท่านอท mm hmm. ่านไม่ต้องการอะไรจากเราเลย mm hmm. แล้วท่านมาเสียเวลามาสอนเราทําไมถ้ามันไม่เป็นความจริง mm hmm. ต้องคิดดูอนี้ขอนั่งคิดดูเอาเองะถ้าไม่คิดมันก็มันก็จะ ไม่เห็นของบางอย่างนี้ปัญญาเห็นได้โดยที่ไม่ต้องตามืดบอดแต่ถ้าคิดด้วยปัญญามันเห็นได้ปัญญาคือเหตุผลเขาบอกว่าแสงแสงดวงอาทิตย์นี้ยังไม่สามารถทะลุสิ่งที่หนาอย่างร่างกายนี้ได้แต่แสงสว่างแห่งปัญญานี่มันทะลุหมดเลยไม่มีเงาเลยใช้แสงไปนี้จะไม่มีเงาเลย แต่แสงอาทิตย์นี้ฉายไปตรงไหนยังมีเงาอยู่ปัญญานี่มันอัศมหัจจันทร์กว่าแสงสว่างของปัญญานี่มาสจัญยิ่งกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์สามารถเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันได้งนั้นก็ทางศาสนาจึงสอนให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเชื่อแล้วมัน มันได้ดิบได้ดีกันถ้าไม่เชื่อก็ไปนรกไปอาบายกันก็แล้วแต่จะจะเลือกเอาเพราะถ้าไม่เชื่อก็เรื่องอะไรไปทำบุญให้เสียเวลาใช่ไห ม, มเอาเงินไปกินเหล้าไม่ดีกว่านะเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นไพ่ไม่ดีกว่านะสนุกนะแต่ถ้าทำบุญก็ไปเที่ยวไม่ได้ ไปกินเล่าไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของศรัทธาก็ต้องมันเข้าหาผู้รู้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ต้องหาอรันอรันตัดสาวกอริยสงสาวกไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปคุยกับท่านคุยบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นเองเห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันมีจริงนะ มันแคไม่มีจริงพอเห็นว่ามีจริงแล้วต่อไปก็จะเชื่อเหมือนคนสมัยก่อนนี่เขาเห็นว่าโลกนี้กลมก็แบนแบนะแล้วมันจริงหรือเปล่าใช่ไแล้วก็มีคนมาบอกมันไม่มันไม่มันไม่แบนใช่ไหมอตอนเดีวนี้สมัยนี้มีใครคิ ด, คดว่าโลกแบนบ้างไหม ห็นตอนต้นต้องเชื่อก่อนวิธีที่เขาพิสูจน์ว่าโลกแบนหรือโลกกลมก็เขาบอกให้ดูเรือที่วิ่งเข้ามาจากในทะเล<ม>เวลาเรือเข้ามาในโผล่เข้ามานี่ส่วนไหนเราเห็นส่วนไหนก่อนเรากระโดงเห็นธงก่อนใช่ไหมหรเราไม่ได้เห็นทั้งลาเลยใช่ไหมพร้อมกันเพราะอะไรเพราะพื้นที่มันมานี่มันไม่ราบใช่ไ้ย ถ้ามันล่ามันก็ต้องเห็นพร้อมกันหมดใช่ไหมแสดงว่าเขมันเหมือนมันมันโค้งใช่ไหมเหมือนคนขี่ขี่ม้าข้ามเขามาใช่ไหมเออเวลาคนขี่ม้าข้ามเขามานี่จะเห็นอะไรก่อนเห็นคนก่อนหรือเห็นม้าก่อนเห็นม้าก่อนเอ้เห็นคนก่อนสิคนมันคนมันน่ะมันสูงกว่าม้าใช่ไหมเห็นคนขี่ก่อนแล้วก็เห็นตัวม้าถ้าคนถือธงมาก็จะเห็นธงก่อน เพราะว่ามันข้ามเขามามันโค้งถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มันไม่เป็นภูเขามันพืชราบมันก็จะเห็นพร้อมกันหมดเลยเขาก็เลยพิสูจน์ได้ว่าอ๋อมันต้องโค้งแต่มันโค้งน้อยมากในสายตาของเรามันก็เลยรู้สึกว่ามันราบโลกมันใหญ่ไงมันก็เลยโค้งน้อยในสายตาของเรามันโค้งทีนิดเทนิดแต่มันใหญ่มาก อันนี้ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะศึกษาไปเรื่อยๆนะถึงจะถึงจะเข้าใจแล้วถึงจะเชื่อได้ถ้าไม่ฟังธรรมอะไรก็มันก็ความไม่เชื่อมันก็มีอยู่ในใจแนละ้วเพราะมันเห็นแค่นี้มันเห็นว่าตายแล้วสูญนะเห็นว่าตายแล้วร่างกายก็ ก, ก็ไปวัดไปเผาในชะ่หมหรือแต่เศษกระดูกเห็นแต่หรือแต่ขี้เท่า แล้วใครไปเป็นคนรับผลบุญผลบาปอ่ะบางค<า>ือผมไม่มีครับนั้นเก็มองไม่เห็นคนที่คนที่มีมันเรามองไม่เห็นไงเนี่ยเราก็ต้องไปเชื่อคนที่เขาเห็นไงคนที่เห็นก็คือพระพุทธเจ้าตัดจะรู้แปลว่าไแปลว่ารู้ในรู้ว่าตายแล้วไม่สู่เนี่ยถึงมาสอนพวกเราว่า ตายแล้วไปเกิดใหม่ไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ทำให้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ลิกไปนะไม่เชื่อก็อย่าไปทำบาป ก, ก็แล้วกันทำบุญก็แล้วกันเระจายเลยนะอา่อาอ่าาย ความตายมันมาได้ทุกเวลานาทีทุกอายุมีคนตายอยู่ทุกทุกวินาทีเนี่ยในโลกเนี้ยตอนนี้ก็มีคนตายป่ะเนี่ยตายแบบรู้ตัวก็มีตายแบบไม่รู้ตัวก็มีนพวกที่อยู่โรงพยาบาลที่เขารู้ตัวเขาต้องตายกันแต่พวกที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตอนนี้อาจจะถูกม้วนถูกจี้ถูกยิงถูกฆ่ากันที่ไหนก็ได้ ใ น, ในโลกนี้ขณะนี้มีคนตายอยู่ทุกเวลาเห็น mm. อยากคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปตลอด mm. แล้คิดว่าตายไปแล้ว mm. เรายังไปต่อเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเรา mm. พระเจ้าตรัสรู้มาสอนเราว่าร่างกายไม่ใช่เรา เราอยู่ที่ใจใจไม่ตายเราก็เลยต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปใหม่นะก็ขอให้เชื่อพระเจ้านะเรายังมีโอกาสเรายังไม่ตายเรายังทำบุญได้เรายังละบาปได้อยู่ ให้ทำไปเถิดแล้วผลมันจะดีต่ออนาคตของเราจะเกิดที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ถ้าปฏิบัติมากๆก็จะไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต่ยตอไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ทำไม่ทำบาปทาบุญแล้วก็ตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆ เราก็จะไปเกิดที่ดีแล้วก็ไปหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดเกดต่อไปอ น, นี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ทำตามที่พระเจ้าสอนเราก็จะกลับมาเกิดสูงๆต่ำๆดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่วันไหนทำบุญก็วันนั้นก็ดีไปวันไหนทำบาปก็สวยไป มีท่านนี้แหละนะมีอะไรอยู่ไหะไม่มีก็ตามสบายนะจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้เดี๋ยวเราจะต้องถามตอบปัญหาแล้วรอฟังอคนที่เขาจะไม่รอทุกคนจะทําไงให้ก็นั่งคุยฟังมาก่อ น, นครับเ<ท>รายกให้ฟ้าผมได้มีโอกาสได้ฟังทาได้ฟังตอบก็อยากจะฟังว่าเปล่าทางเลย เขาจมามาด้วยกันทุงอย่างเลยเดี๋ยวไปบังคับเขาอ๋อไม่หรครับเพราะนานๆเขาจะยิ่งอ่างั้ก็ลองฟังดูอ่ะคาถามเข้ามาเลยคำถามจากคุณชรัขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายจิตตานุกปัจนากับการดูจิตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะเราจำเป็นต้องใช้เทคนิคการดูจิตหรือไม่อย่างไรคะ คือการดูจิตนี้มันต้องผ่านการดูร่างกายดูเวทนาไปก่อนนะฉะั้นถ้ายังดูร่างกายยังปล่อยร่างกายไม่ได้อย่าไปดูจิตให้เสียเวลาดูจิตนี่เหมือนระดับปริญญาเอกนะดูเวทนาเหมือนปริญญาโทดูร่างกายเหมือนระดับเป็นปริญญาตรีอันนี้ดูร่างกายแล้วปล่อยร่างกายให้ได้ก่อน ถ้ายังปล่อยร่างกายไม่ได้อย่าไปดูจิตให้เสียเวลาเลยคำถามจากคุณโมนีขอกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าท้อแท้ในชีวิตด้วยค่ะก็ให้ใช้สติลุกดับความซึมเศร้าให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าให้ไปคิดอะไร เความคิดนี่แหละที่ทำให้ซึมเศร้าพราะคิดไปในทางความอยากแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็ซึมเศร้าความซึมเศร้านี้มักจะผิดหวังสูญเสียสิ่งที่มีอยู่เลอไม่ได้สิ่งที่อยากได้มันก็เลยซึมเศร้าถ้าหยุดความอยากความคิดได้ความซึมเศร้าก็จะหายไป คำถามจากคุณเคเครื่องรางที่เป็นพระเครื่องต่างๆมีพุทธคุณจริงหรือเปล่าคะไม่หรอกพระพุทธคุณอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ไม่ปฏิบัตินี่เครื่องรางของขังต่างๆนี่มันเป็นวัตถุวัตถุก็เป็นเหมือนก้อนหินนี่ดีๆนี่ก้อนหินมันไม่มีพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณ นั้นสิ่งที่ทําด้วยวัตถุต่างๆนี้ไม่มีอะไรนนในตัวของมันเองคําถามจากคุณอลิสลาเรื่องการใส่บาตรด้วยปัจจัยเป็นเงินไม่ทราบว่าคนใส่บาตรจะบาปไหมคะแล้วพระที่รับบาตรจะผิดพระธรรมาวินัยไหมคะไม่บาปหรอกคนทําบุญก็ได้บุญเพียงแต่ว่ามันทําไม่ถูกกฎระเบียบของพระเท่านั้นเอง ถารับก็ไม่ได้บาปอะไรถ้าไม่ได้มีเจตนาจะรับแทนเ้าใส่ปุ๊บมาเลยเพราะเปิดฝ้าบาดปั๊บเขาก็ใส่ก็เาไปเลยอย่าเงีสิ่งที่พระทําได้ก็คือสละไปเท่านั้นเองอย่ากเก็บเอาไว้ไม่ให้เก็บเอาไว้ก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยถ่ายบาดไปคนใส่บาดก็คนใส่เงินก็ได้บุญลูกศิษย์ก็ได้เงินพระก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่เสีย คำถามฝากถามจากคุณศรีประทุมดูกายเพื่อให้เห็นจิตเห็นได้อย่างไรคะดิฉันไม่เข้าใจคะ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรจะไปสนใจนะคือไม่ต้องไปสนใจขอให้ตอนนี้เรามีสติก่อนก็แล้วกันฝึกสติให้มีสติ แ้วพอมีสติแล้วมันก็จะใจก็จะสงบพอใจสงบก็จะเห็นตัวจิตตัวใจขึ้นม า, าการที่จะดูกายก็คือเป็นการสร้างสตินี่เองให้เราดูกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายาว่าว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ก็ให้อยู่กับการเฝ้าดูร่างกายนี้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ ให้อยู่กับเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการกระทาของร่างกายอันนี้เรียกว่าดูกายเป็นการเจริญสติเมื่อเรามีสติแล้วเวลาเรามานั่งดูลมหายใจจิตสงบลงความคิดหายไปก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวจิตขึ้นมาเนี่ยกคือการดูกายเพื่อให้เห็นจิตก็ดูเพื่อให้นั่งสมาธิ ให้มีสติเพื่อให้นั่งสมาธินั่งแล้วใจสงบสงบแล้วก็จะเห็นตัวรู้ผู้รู้แซลลรู้ตัวนี้แหละคือก็คือตัวจิตตัวใจคำถามจากคุณต่อบงพักวันก่อนหลังจากถอนพุทธโธจากระหว่างคิว้วตามที่พระอาจารย์แนะนำผมนั่งสมาธิสงบครั้งแรกในชีวิตครับรู้ที่จุดที่รู้ว่า เข้าคือสงบและปิติมากและได้ยินทุกอย่างรอบตัวแต่ไม่วิจาร์วันถัดมาก็ับอยากให้เป็นแบบนั้นอีกแต่ทำไม่ได้นิ่งขึ้นแต่ยังมีคิดบ้างวิจาร์บ้างมีอุบายจะพัฒนาวิธีการทำสมาธิอย่างไรต่อไปครับอ๋อก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่าไปอยู่ถึงอยู่ไปอย่าไปดูอย่าไปอยู่กับผลที่ได้มาแล้วในอดีต อย่าไปอยากให้ได้เกิดผลขึ้นมาตอนที่นั่งนี้ให้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้อ้องถามจากคุณโดไลมอนครอบครัวลูกเป็นครอบครัวจีนรุ่นพ่อแม่จะไหว้เจ้าด้วยผลไม้แล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทองแต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วลูกจะเลิกไหว้กระดาษเงินกระดาษทองเหลือแต่ผลไม้ได้ไหมเจ้าคะ การไหวกระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออะไรเจ้าคะก็ตามความเชื่อของเขาเองว่ากระดาษเงินเป็นเงินกระดาษทองก็เป็นทองคือว่าการไหว้แล้วเผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นการส่งเงินทองไปให้กับผู้รุงรับไปแล้ววิธีที่จะส่งเงินทองให้กับผู้รุงรับไปแล้วก็คือวิธีทําบุญนี่แหละเอาผลไม้ที่เราจะไหวแม่เนี่ยไปใส่บาตรแทนฮะแล้วก็จะเป็นบุญขึ้นมาเป็นเงินทองขึ้นมาในใจ แล้เราก็ส่งเงินทองในใจนี้ไปให้กับพ่อแม่ได้เลิกไหว้ได้แล้วถ้าจะไหว้ก็เพียงแต่ดอกไม้ทูกเทียนก็พอถ้าจะไหว้นี่ก็ใช้ให้เรื่องใช้ของสักการะเ mm hmm. ช่นดอกไม้ทูกเทียนถ้าจะส่งบุญส่งเงินส่งทองไปก็เอาเงินเอาเข้าวของที่เราจะมาไหว้นี้เอาไปใส่บาทแทนใส่แล้วเราก็สามารถที่จะ แบ่งเท่าของนี้กลายเป็นเงินทองส่งไปกับคนที่ร่วงรับได้คําถามจากคุณลาเวงข้อที่หนึ่งการศึกษาปฏิบัติกับปฏิบัติธรรมจาเป็นต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับตัวเราคืออินทรีย์พละของเราไหมคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรคะก็เหมือนเรียนหนังสือน่ะเวลาจะไปเรียนเขาก็ต้องสอบเอนทานกันก่อนใช่ไหม นี่ขณะอนุบาลก็ยังสอบเลยแต้รู้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนขั้นไหนเด็กบางคนนี่เก่งบางทีอายุไม่กี่ขวบก็เข้ามาหาหลัยได้ก็มีเพิ่งอ่านข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้นเด็กอายุ13าขวบรู้สึกจบปริญญาตรีแล้วหรือเข้าเข้าเข้าเรียนปริญญาตรีก็ไม่รู้เห็นคนละแต่ละคนก็มีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติ ทำคำสอนของพระุทธเจ้าได้ไม่เท่ากันเราก็ต้องเราก็ต้องสอบทดสอบตัวเราเองดูขั้นแรกก็คือทําทานได้หรือเปล่าเรามีเงินทองเราสละไปให้คนอื่นได้หรือเปล่าหรือเราหวงถ้าเรายังหวงอยู่ก็แสดงว่าเรายังทําทานไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ต้องสละเงินที่ไม่ใช่ที่เราไม่จําเป็นจะต้องเอามาใช้กับของที่จําเป็นเงินที่จะเอาไปเที่ยวไปเล่นนี่แหละ เป็นเงินที่เราจะต้องเอามาสละให้ได้ถ้าเราสละได้ก็แสดงว่าเราผ่านขั้นฐานได้แล้วก็มาดูที่ขั้นศีลว่าเรารักษาศีลห้าได้หรือเปล่าถ้ายังรักษาไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาให้ได้ถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ดูว่ารักษาศีลแปดได้หรือเปล่า<ม>ก็ต้องขยับขึ้นไปรักษาศีลแปดได้แล้วก็ดูซิว่านั่งสมาธิได้หรือเปล่า นั่งสมาธิได้แล้วก็ดูว่าตอนนี้ใช้ปัญญาเป็นหรื อ, อยังรู้ว่าอะไรคือปัญญาหรือเปล่ารู้ว่าอันนี้จังทุกขังอน้าตาเป็นอะไรหรือเปล่ารู้ว่าอาริยสัจสีทุกสมุทัยนี้รุ่นมากนี้เป็นอะไรเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรของพวกนี้มันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนถ้าทําขั้นไหนได้ก็ทําไปเลยอถ้าตอนนี้รักษาสีแปดได้ก็รักษาไปเลย ถ้าตอนนี้นั่งสมาธิได้ก็นั่งไปเลยถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้รักษาสีแปไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่ศีห้าก่อนถ้าสีห้ายังรักษาไม่ได้ก็ลงมาที่ทําทานก่อนทาได้หรือเปลา่ามันมีขั้นมีตอนของมันข้อที่สองวิธีที่จะทำให้การศึกษาพระสัทธรรมเกิดความจเจริญยิ่งขึ้นไป เช่นเรื่องกฎายลักเหมือนเรารู้เข้าใจแต่ไม่ได้เป็นอัตโนมัติอยู่ทุกๆขณะจิตทำอย่างไรจึงจะชัดแจ้งและเป็นอัตโนมัติได้คะก็ต้องคิดอยู่บ่อยบ่อยคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพทะเจ้าสอนให้คิดถึงความตายความตายก็คืออนิจจงนะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเป็นอนิจจ์ให้คิดทุกถึงลมหายใจเข้าออกว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอยู่อย่างนี้ไปทั้งวันแล้วต่อไปก็จะเห็นตายลักอย่างชัดเจนคำถามจากคุณโดเรมอนคนที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเพื่อเอาเงินที่ถูกรางวัลมาทำบุญจะได้บุญแบบไหนหรือได้บุญไหมเจ้าคะได้เพราะมันเป็นบุญที่ได้มาโดยสุดจริตมันไม่ได้ไปขโมยของใคร คำถามจากคุณพรพันธ์โยมมีคำถามมีปลวกขึ้นบ้านไม่อยากฆ่าเพราะกลัวบาปแต่บ้านต้องพังวางใจอย่างไรเจ้าคะก็แล้วแต่เอาจะเลือกเอาจะเอาบาปหรือจะเอาบ้านเนีถ้าจะเอาบ้านก็ต้องบาปถ้าไม่เอาไม่เอาบาปก็ต้องไม่เอาบ้านคำถามจากคุณปูเป้ ถ้าเราทำงานร่วมกับคนที่เฉยแชะตัวเราพลอยกระตุ้นเขาแล้วเขาไม่รับค่ะงานของเขาส่งผลโดยรวมกับเพื่อนร่วมงานรอบข้างตัวเราเองคนทำอย่างไรดีคะก็เชิญเข้าไปที่อื่นได้มาอยู่ร่วมกันแล้วไม่เจริญอยู่กันไหมทำไมคำถามจากคุณวิชัยเวลานั่งสมาธิแล้วถึงแม้จะยังรู้พุดโทรแต่สมองก็คิดนู่นคิดนี่ ผมควรจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาสมาธิครับก็อยู่กับพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับความคิดใหม่ๆมันจะแข่งกันถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะถอยมันก็จะห่างออกไปแล้วก็หายไปคำถามจากคุณทวิชาถ้าเรารู้ลมหายใจสลับกับภาวนาพุทโธได้ไหมคะไม่ควรจะสลับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า คำถามจากคุณธัญญาพระพุทธที่บ้านควรที่จะถวายอาหารหรือไม่เจ้าคะไม่ต้องหล้วถวายแต่ดอกไม้ทูบเทียนก็พอเพราะท่านกินไม่ได้พระพุทธลูล ก, กินข้าวได้ไงคำถามจากคุณสุพรการที่เราไม่สะดวกไปทอดกระถินวัดพ่อแม่ครูบาจามแต่ฝากเงินเขาไปจะได้บุญเต็มร้อยหรือเปล่าเจ้าคะ แล้วถ้าเราไปทำบุญมาแล้วเราลงในไลน์กลุ่มเพื่อนให้เพื่อนในไลน์สาธุบุญกับเราแล้วเขาจะได้บุญไหมคะได้แต่เป็นเป็นบุญคนละอย่างกันคือบุญที่เราทำทานกับบุญที่อนุโมทนานี่คนละชนิดกันบุญที่ทำทานนี่มันมันมากกว่าบุญที่อนุโมทนาอนุโมทนาก็เพียงแต่ดีใจไปกับเขาว่าเขาได้ทำบุญ แต่บุญที่ได้จากการทําทานนี้มันอิ่มเอิบใจสุขใจกว่าคําถามจากคุณรุจิลาอยากรู้ว่าคนที่เขาออกจากศาสนาพุทธไปเข้าศาสนาคิดเขาจะลําบากตอนตายไหมคะไม่หรอกเพราะศาสนาคิดก็สอนให้คนทําบุญสอนให้คนไม่ทําบาปเหมือนกันเขาก็ได้ไปสวรรค์ถ้าเขาทําตามทีศรร่ศาสนาศาสนาคิดสอน เพียแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไปนิพพานเหมือนกับคนที่อยู่ในาศาสนาพุทธถ้าก็อยู่ในาศาสนาพุทธแล้วปฏิบัติตามได้ทุกอย่างก็ตายไปก็ไปนิพพานได้ศาสนาอื่นเขาไม่รู้จักทางไปนิพพานเขารู้จักทางไปแค่สวรรค์เหมือนกับเราจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยแต่รถบางคันนี่เขาวิ่งไปแค่บางแสนนี่ ถ้านั่งขึ้นรถที่ไปบางแสนก็ไปแค่ถึงบางแสนเขก็จอดก็ต้องลงนะแต่ถ้าเราขึ้นรถที่พาเราไปถึงกรุงเทพเราก็ไปถึงกรุงเทพได้าศาสนาก็เหมือนกับรถที่รถโดยสารที่พาเราไปตามที่ต่างๆบางครันบ า, บางสายก็วิ่งแค่ไปถึงแค่บางแสนบางสายก็ไปถึงมงชนบางสายก็ไปถึงกรุงเทพก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะไปที่ไหน ถ้าเราไปไปแค่บางแสนนี่เราขึ้นคันไหนก็ได้เหมือนไปถึงทุกคันแต่ถ้าเราต้องการไปเมืองชนเราไปขึ้นรถบางแสนมันก็ไปได้แค่บางแสนถ้าเราอยากไปกรุงเทพเราไปขึ้นรถบางแสนรถเมืองชนก็ยังไปไม่ถึงกรุงเทพศาสนาก็เหมือนกันบางศาสนาก็พาไปแค่สวรรค์ชั้นชั้นชั้นเทพบางสวรรค์บางศาสนาก็สอนไปถึงสวรรค์ชั้นพรม ทางศาสนาก็สอนไปถึงพระ น, นิพพานเราก็ต้องเลือกดูเหมือนกับรเราเราขึ้นรถโดยสารเราก็ต้องดูว่ารถเบอร์นี้วิ่งไปถึงไหนแล้วเราก็ไปตีตัว๋วแล้วขึ้นให้ถูกคันคำถามจากคุณมงคลมีคนมาซื้อของแล้วมาขอให้เขียนบินเกินราคาที่ซื้อเพราไม่ได้ค่าน้ำมันรถในการเดินทางผู้ขายควรทาอย่างไรครับ ก็แล้วแต่จะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้มั้งถ้าเขียนก็เป็นการโกหกหลอกลวงใช่ไหมเพราะไม่เป็นความจริงเขาซื้อยี่สิบแต่เขียนว่าเขาซื้อสามสิบอย่างเงี้ยก็เป็นมีการมีมีส่วนร่วมในการทำบาปเพราะว่าไม่ได้เขียนตามความเป็นจริง ถ้าไม่อยากจะทําบาป ก, ก็ต้องเขียนตามความเป็นจริง<อ>หมดแล้ใช่ไหม<อ>ดีผมขอการสอบถามครับการการที่เราเจริญมอนานุสติอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกทุกลมหายใจเข้าออกมันถือเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเลยครับเออเป็นการเจริญสติไงเขาเรียกมอนานุสติเขาเป็นการภาวนานน เหมือนกับพุทโธพุทโธเนี่ยเหมือนกันแต่ดีกว่าพุโทโธเพราะมันมีมันได้ปัญญาด้วยได้เห็นอนิจจงด้วยพุโทโธนี่ไม่เห็นอนิจจ์แต่ความตายนี่คืออนิจจงเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายพอรู้ว่าต้องตายเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ปลงปวางร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้เวลามันตายเราจะไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่ปล่อยมันเดี๋ยววาตายเราจะทุกข์มากเพราะเราจะไม่อยากให้มันตายมันกลัวตายครับอ่านั่นแหละคนที่ไม่คิดว่าต้องตายมันจะกลัวตายแต่คนที่คิดค่ว่าจะร่องตายมันจะไม่กลัวตายมันยอมตา ย, ยาการเจริญมานาัสสิมรนานุสติก็เพื่อให้ยอมตายเมื่อยอมตายแล้วมันก็จะไม่กลัวเนีย่ยมันมีประโยชน์กับพุโทโธ พุโทโธก็ทำตาใจาให้สงบเท่งนั้นแต่พอเจอความตายก็กลัวแต่ถ้ามีมรณนาสนติก็จะไม่กลัวก็ถือเป็นการภาวนาอยู่ก็ภาวนาสองอย่างเลยสมถะกับวิปัสสนาไงสมถะก็พุโทโธมรณนาสนติก็วิปัสสน า, าทำควบคู่ไปได้ไหมครับได้ก็ ทำไปแล้วแต่เราจะเอาวันไหนก็ได้คนบางคนใจอ่อนพอคิดถึงความตายก็กลั ว, ลวทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องใช้พุโทโธไปก่อนใช้พุโทโธทำให้ใจแข็งก่อนพอใจแข็งแล้วทีนี้ค่อยๆมาใช้มรานุสติอี ก, อ, กอีกขั้นหนึ่งบางคนใจแข็งแล้วก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ไปมรานุสติเลย ข้ามขั้นไปเลยไปรับทำสองขั้นพร้อมกันเลยทำสมถะกับวิปัสสนาพร้อมๆกันไปเลยบางคนที่กลัวก็ต้องใช้สมถะก่อนแบ่งเป็นสองขั้นทำสมถะใจให้สงบใจแล้วพอใจสงบแล้วใจจะแข็งจะไม่กลัวแล้วยงก็เริ่มใช้มนต์อ น, นุสติได้มีเข้ามาไหม mm hmm. คำถามจากคุณนกยงทองการที่เราดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงและและรักษาจิตใจให้เบิกบานจิตไม่เศร้าหมองแต่ขาดการนั่งสมาธิถือว่าเป็นบุญไหมคะก็เป็นนะท่าจิตใจเบิกบานไม่เศร้าหมองก็เรียกว่าเป็นบุญเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้นานเ ท, ท่าไหร่เท่านั้นเองเวลาไปเจอโรคมาเลย์ก็เวลาเจ อ, เ อ, อ เหตุการณ์ร้ายแรงทางร่างกายนี้ยังจะผ่องใสยังไม่เศร้าหมองได้หรือเปล่างั้นมันชีวิตของเรามันมันอาจจะผ่องใสไม่เศร้าหมองตอนที่เรามีความสุขได้แต่พอเราไปเจอความทุกข์อย่างนี้เห็นเสียแม่ไปนี้ยังผ่องใสยังไม่เศร้าหมองได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็เก่งถ้าทําได้ก็เป็นพระอริยะได้เวลาพ่อแม่ตายก็ยังผ่องใสไม่เศร้าหมอง เราเป็นภาเลียยังยังผองสายไม่เศร้าหมองอ่ะเราก็ได้ทำามาของอาจาย์ที่บอกทร่เทศสอ่เ็นร่างกายหมามาเป็นคนใช้ครับแต่ว่ารูงจิตของหมาไม่ได้ตายด้วยคนรับใช้ของหมาคือร่างกายที่เอาไปลอยอังคารที่สรลด่เป็นคนรับใช้ที่อาจารย์เคยเทศสอบผมก็จำแม่นไปเลยที่ว่า ได้ไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเรับที่เพราะหมามาผมไม่ได้ตายครับอ่าเนี่ยคนรับใช้อมามาตายก็รู้เออมามาไม่ได้ตายจากผมเลยอย่างนี้แสดงว่าเข้าใจแล้วท่านต่อไปก็ดูคนใช้ของเราร่างกายของเราครับเวลามันจะตายเรามองเห็นว่ามันเป็นคนรับใช้เราหรือเปล่าอ่าร่างกายคนอื่นนาจะดูง่ายหน่อยแต่พอมาดูร่างกายของเรายังจะดูเห็นว่ามันเป็นคนรับใช้เราหรือเปล่า ถ้าเห็นเราก็จะไม่กลัวตายเราก็จะตายอย่างสบายตายอย่างผ่องใสตายอย่างเบิกบานเข้าใจไนั่น้เลยเรจะมีแล้วถ้าเราปล่อยวางร่างกายเราจะมีโอกาสได้เป็นถึงพระโสดาบันบุตรคนไหมครับก็เป็นและ้วล่ะถ้าปล่อยได้ก็เป็นแล้วล่ะพระโสดาบันก็ปล่อยร่างกายนี่ <c oughs> เห็นร่างกายเป็นคนนับใช้ไม่ใช่ <c oughs> เป็นตัวเรา <c oughs> นะส ก, กายะทิฐิได้ ใช่ไหมครับอนนี้ตอนนี้ก็ได้ทำข้อสอบไปข้อนึงแล้วคือแม่เราต่อไปก็ตัวเราโดยจะทำได้ไหมถ้าทำได้ก็สบายแล้วคิดถึงแม่นี่เป็นกิเลสไหรครับไม่หรอกคิดได้แต่เพ่งแต่อย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับกับการจากไปของแม่ท่านเองถ้าอยากให้เขากลับมาอย่างนี้ก็จะเป็นกิเลสแล้วแต่คิดถึงได้ ไ, ได้คิดถึงได้ แต่ถ้าไม่คิดได้จะดีกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วถ้าคิดถึงก็แสดงว่าใจลอยไปไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นความกรตันยูกับไม่เหรอกกตันยูไงก็ตายไปแล้วเว้กระตันยูต้องตอนที่อยู่สิให้ใ ค, คิดถึงตอนที่แม่อยูย่ตอนที่แม่อยู่ก็ไปคิดถึงเมียแทนนี้ไม่ไปไม่ไปดูแลแม่เลยดูแลแต่เมียดูแลแต่ลูกอย่างนี้ ตอนที่แม่อยู่ก็ต้องคิดถึงแม่จะได้ไปดูแลแม่ตอนนี้แม่ไปแล้วจบแล้วไปคิดถึงเสียเวลาทําไมคิดแล้วไปทําอะไรได้ไไดนั่นเสร็จแล้วคิดไปทําไ ม, มคิดในสิ่งที่เราต้องคิดดีกว่าคิดถึงความตายของเราดีกว่าเข้าใจไหมจะไปเสียเวลากับอดีตที่ผ่านไปแล้ว ใหคิดในปัจจุบันคิดในกับเหตุการณ์ที่กําลังจะต้องเกิดขึ้นกับเราต่อไปต่อไปลูกเมียเราเราก็ต้องจากเข้าไปเราเตรียมตัวแล้วยังพร้อมแรืวยังตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แยกกันอยู่นะครับอ่าเพราะงั้นแหละต้องต้องจากกันอย่างเบิกบานอย่างผ่องใสอย่าจากกันแบบเศร้าหมอง ใจน ะ, ะต่อมาคําถามจากคุณพีล่ลงลงขออุบายวิธีคิดเรื่องโทษของการเกิดด้วยค่ะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือโทษของการเกิดความแก่ดีไหมความเจ็บไข้ได้ป่วยดีไหมความตายดีไหมนั่นแหละการพลาดพลาดจากกันดีไหมนั่นแหละนี่แหละคือโทษของการมาเกิด ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการพักผจากกันทุกจริงไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ามีเกิดก็มีทุกตามมาคำถามจากคุณวิชัยการที่เรารู้ตัวรู้ความรู้สึกเวลาโกรธไม่พอใจแต่รู้ทันไม่แสดงอะไรตอบโต้ไปถือว่าเราพัฒนาสติไหมครับ ก็ถือว่าเราถ้าเมื่อก่อนไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้ก็แสดงว่าพัฒนาอะนี่ขั้นต่อไปก็คือต้องหยุดมันให้ได้พอมันเกิดปั๊บก็หยุดมันเลยหมดแล้วเลยอ่าโอกาสครับรู้สักการการเจริญเจริญสติอะครับการรู้กายรู้วิพนาู้จิรุธธรรมกับการที่เรา ปฏิบัติเข้าสมาธิถึงระดับชาญ น, นะครับบุญอ น, นไหนมากกว่ากัน อ, อ๋อมันต้องมีสติก่อนมันถึงจะเข้าชาญได้ถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไม่ได้ไสติเป็นเหตุชาญเป็นผลนไงห่ายถึงว่าการเจริญสติในปัจจุบันนะครับนั่นแหละกะ็ต้องมีสติก่อนมันถึงจะนั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีสตินั่งมันก็ไม่สงบนะครับมันก็คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อย ถึงต้องให้มันมีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อมันจะได้ไม่คิดพอเวลาไม่คิดเวลานั่งมันก็จะรวมเป็นฌานเป็นสมาธิขึ้นมานะครับอันนั้นะถึงจะเป็นบุญแล้ว ม, มันมันดีตัวติดขัดนีครับคือนั่งสมาธิเรารู้รู้ลมหายใจสั้นยาวรูว้ความละเอียดอะในของหายใจเสร็จแล้วลมหายใจแอวเบาไปจนจนไม่มีลมหายใจแล้วมันก็อยู่กับความว่างที่จิตไม่รู้รวมกับ ก็ดูไปก่อนเดี๋ยวมันก็รวมเองอะส้มไปอย่างนั้นเอยดูไปเรื่อยๆอย่าให้มันไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ก็แล้แต่มันว่างะนาดให้อยู่กับความว่างไปนานนานเท่าที่นานได้ใชออหมมีอะไรเข้ามาอีกหมไม่มีค่ะเดี๋ยวให้เวลาแท็กปั๊บหน่อนเดี๋ยวใครกําลังเพิมพ์ยังยังมีเวลาอยู่ออ คำถามจากคุณสิริวัลถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วแต่ใจรู้สึกชอบอีกคนแต่พยายามยั้งใจด้วยศีห่าอยากทราบว่าสีห้องไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับเขายังไม่ขาดเองแต่คิดมันบาปทางใจยังไม่ถือว่าเป็นบาปทางแบบแท้จริงเป็นเพียงอกุศลทาให้จิตใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างหัดเจรณาสุภาพมังก็ได้เวลาคิดถึงเขา อย่าไปคิดที่ส่วนที่สวยงามคิดที่ส่วนไม่สวยงามเลยคําถามจากคุณเอกลิศเวลาจิตรวมแล้วพิจารณาเกษาโลมาทันตาตะโจผมรู้สึกตัวสั่นๆเหงื่อออกตามตัวขนลุกผมเลยสะดุ้งตกใจควรทําอย่างไรต่อครับเวลาจิตรวมไม่ควรจะพิจารณานะ จิตดวแมันเราพยายามให้จิตสงบให้นิ่งไปนานเหมือนกับคนนอนหลับพักผ่อนอย่าไปปลุกขึ้นมาทำงานปล่อยให้เขานอนหลับให้พอก่อนพอเขานอนพอแล้วเขาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยเอาไปทำงานแล้วจิตดวนเป็นสมาธิสงบนี่อย่าไปพิจารณาให้สงบไปจนกว่าจิตจะถอนออกมาพอจิตถอนออกมาแล้วมาคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้แล้วค่อยมาพิจารณาทางปัญญา คำ ถ, ถามจากคุณวาสนานเวลานั่งสมาธิมักจะง่วงให้แก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนเดินให้หายง่วงก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องอหาที่น่ากลัวไปนั่งไปนั่งตามป่าช้า ด, ดูที่ไหนที่เรากลัวไปนั่งตรงนั้นแล้วมันจะไม่ง่วงหรือถ้าไปไม่ได้ก็ลองอดอาหารดูงดอาหารดูเช่น ถือสินแปดรับรับประทานไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วรับประทานให้น้อยแล้วความวุ่นก็จะหายไปได้คำถามจากคุณออยเรื่องการพิจารณาอสุภะนั้นเมื่อกำลังสติและสมาธิยังไม่พอถ้าใช้มโนหรือสัญญาในการสร้างภาพก่อนนั้นจะถูกต้องไหมคะและการสร้างกายด้วยการเอาลำไส้ออกมาพิจารณานั้น ต้องเย็บคืนไหมคะเคยอ่านเจอในครูบาอาจารย์ท่านมางกายค่ะอ๋อไม่ต้องหรอกมันอยู่ในใจเราไห้มันค่าวออกมาอยู่เรื่อยๆก็ได้เห็นใครก็เห็นลำไส้ติดออกมาข้างนอกก็ได้ต่อไปจะเป็นแฟชั่นใหม่ก็ได้ต่อไปจะไปผาเอาลำไส้ออกมาโชว์กันเพราะไม่รู้จะโชว์อะไรแล้วในนี้คำถามจากคุณวิน เราจะอาโหสิกรรมต่อ ก, กันโดยการพิมพ์สื่อสารทางไลน์ได้ไหมคะเพราะไม่สะดวกที่จะมาพบเจอจะทําให้หมดเวรกรรมต่อกันได้ไหมคะก็อยู่ผู้ที่เขามีเวรกรรมกับเราว่าเขาได้รับคําขอโหสิหรือเปล่าสองเมื่อเขาได้รับแล้วเขาจะอโหสิหรือเปล่าถ้าเขาเอาโหสิก็หมดเวรหมดกรรมกันแต่ถ้าเราขอเอาโหสิแบบง่ายๆเขาบอกมันง่ายเกินไป เราอยากจะขอสิต้องมากราบตีเราถ้าม่มากราบตีเราเราก็ไม่เอาหสิหรือบางคนนอกจากมากราบตีแล้วยังต้องเอาเงินมาให้ด้วยถึงจะหายเพราะเราไปขโมยเงินเขาเนี่ยขโมยเงินเขาแล้วก็มาขอเอาหสิว่าขอโทษแต่ไม่คืนเงินอย่างนี้เขาจะเอาหสิให้เราได้อย่างไรใช่ไหมถ้าเราอยากจะหัวสิเราก็ต้องเอาเงินที่เราขโมยของเขาไปคืนเขาแล้วก็เอาดอกเบี้ยให้เขาด้วย อย่างเนี้เขาก็จะเอาโหสิให้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาเงินเข้าไปแล้วแล้วเพียงแต่ส่งลายมาขอโทษเอาเงินไปแล้วกินหมดแล้วอย่างทําให้เขาโกรธเราใหญ่อย่าไปขอโหสิแบบนั้นถ้าอยากจะขอโหสิเราต้องคืนของที่เราเอาของเขามาชดเชยความเสียหายที่เราไปสร้างให้กับเขาแล้วต้องชดเชยสองเท่าสามเท่า เขาถึงจะอาโหสิให้คำถามจากคุณเอถ้าใจเราเศร้าหมองทําอย่างไรใจจึงผ่องใสครับหยุดความคิดปรุงแต่งทําใจให้สงบแล้วใจก็จะผ่องใสขึ้นมาคําถามจากคุณเป๊กอารมณ์ที่ได้สมาธิเป็นแบบไหนครับก็เจ็ดสงบนิ่งสบายมีความสุขผ่องใสสมบัติคำถามจากคุณสุก ถ้าการปฏิบัติของเราทําทําหยุดหยุดมีอนิสงค์ของการปฏิบัติหรือไม่คะผลก็ยังไม่ต่อเนื่องผลก็หยุดหยุดขาดขา ด, ขาดไปเวลาทําก็มีผลเวลาไม่ทําก็ไม่มีผลคําถามจากคุณณรงชัยคนเราสามารถระลึกชาติได้ไหมครับคนที่นั่งสมาธิจิตสงบได้บางคนก็ระลึกได้บางคนก็ระลึกไม่ได้อยู่ที่ อยู่ที่วาสนาก็แล้วกันคือถ้าเคยฝึกระลึกชาติมาก่อนในชาติก่อนๆพอมาทำใจใสง บ, บมันก็ระลึกได้ถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนก็จะระลึกไม่ได้คำถามจากคุณชยาวิทย์จากการนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตรงจมูกโล่งโปร่งรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจเกิดจากอะไรครับไม่รู้เหมือนกันเน่ก <c oughs> ็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน เราไม่ได้มานั่งเพื่อค้นหาว่ามันเกิดมาจากอะไรเรานั่งดูลมเพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดถ้าไปคิดว่าเกิดจากอะไรก็ผิดได้อย่าไปคิดให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็พอไม่ต้องไปถามว่ามันเกิดจากอะไรให้เวลานั่งสมาธินี้ให้หยุดความคิดอย่าไปคิดว่าทำไมลมถึงเป็นอย่างนั้นลมถึงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการดูลมเฉยๆเพื่อไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆ คำถามจากคุณดอยเพิ่งเริ่มฝึกหัดนั่งสมาธิเราฝึกนั่งเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกใช่ไหมคะใช่นั่งให้มากๆนั่งให้บ่อยๆนั่งให้นานๆคำถามจากคุณออยการพิจารณาอสุภะนั้นยังเป็นสมถะเพื่อดับราคาเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ผิดใช่ไหมคะถ้ายังมั่งกายไม่ได้ แต่ใช้การพิจารณาใช้สัญญาสร้างมนโนภาพเพื่อให้เบื่อหน่ายในการราคาค่ะก็อันเดียวกันนี่แหละการมังกายก็คือการพิจารณาสุภาษโด้วยสัญญานี่แหละนึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามแยกผ่าผาอกออกมาควักลำไส้ตับไตไส้พุงออกมาดอูอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมังกาย เ, เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาเพอาจจะทาให้ใจสงบแล้วก็จะทาให้เกิดปัญญานะคราับ คาต่ตางๆได้คําถามจากคุณเอก mm hmm. การใส่บาดอุทิศกุศลให้สัตว์สัมภเวสีเปรตเขาจะได้รับหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้เรียกชื่อขณะดตรวจน้ําถ้าไม่ได้บอกก็มันก็เค้นเช็คแล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่ชื่อเขา mm hmm. เขาก็เอกไปเบิกไม่ได้ mm hmm. ต้องต้องบอกชื่อถ้าเราอยากจะให้เขารับไปคํ mm hmm. าถามจากคุณวาสนา เราจะหยุดความคิดปรุงแต่งได้อย่างไรคะใช้พุโทโธพุโทโธไปต้องคิดพุดโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นคำถามจากคุณสุนิสาได้ปฏิบัติเนสันชิกขณะปฏิบัติก็สู้กับเวทนาเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตลอดเวลาสามทุ่มถึงตีสามแล้วกลับไปนั่งพักแต่หนูรู้สึกสมองตื่นไม่ง่วงเลยจนเวลาตีสี่ก็มา ทำวัดเช้าต่อนั่นเป็นสาเหตุจากการที่เราฝึกสติอยู่ใช่ไหมคะเพราะรู้สึกมันตื่นและเบิกบานค่ะใช่แล้วทำไปเรื่อยๆนะถ้าทำอย่างนี้ได้ทำไปบ่อยๆอย่าทำแค่หนเดียวแล้วเก็บเป็นอนุสรนต้องทำไปจนกระทั่งมันเป็นนิสัยของเรามันจะพาให้เราไปก้าวหน้าต่อไปคำถามจากคุณมงคลในขณะที่เขียนบินเกินราคา ก็มีแต่เพียงเจตนาที่ว่าให้คนนั้นได้รับความยุติธรรมใจสบายขึ้นไม่ทราบว่าเป็ น, นกลไกในการพิจนารณาหรือไม่ครับมันเป็นการแก้ตัวของกิเลสมันก็บาปอยู่ดีเพราะโกหกหมดแล้วเลยเวลากใกล้พอสมควรแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิจพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ